บทที่43พระอาจารย์ครับตอนรถวิ่งข้าแม่น้ำอาเจรวดัดีพระอาจารย์บอกว่าแม่น้ำสายนี้มีความสำคัญต่อประวัติของพระเทรีรูปหนึ่งตอนนี้ก็จบเรื่องภิกษุณีมารดาของกุมารกสปะแล้วนิมนต์เล่าเรื่องพระเทรีครับพระรถสุโข น, นิมนต์ให้เล่า เพราะท่านฟังพเพลินจนไม่รู้สึกง่วงขณะนั้นเป็นเวลาหกโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงสาวัตถีตามที่ท่านพระครูทำเวลาด้วยคาถาสหัสนตโตท่านทราบไม่ว่าพระเทรีรูปนั้นชื่ออะไรพระมกุเทศถามพระกุณฑลเกษาเซรีใช่ไหมครับพระกุณฑลตอบแล้วถาม พระคุณโทนเก ส, เสรีท่านเป็นที่ดาเศษฐีเมืองราชครกแต่พระเถรีรูปนี้เป็นที่ดาเศษฐีเมืองสาวัตถีพระมกุฎเทพถวงพระอาจารย์ที่เมืองราชครกกับนครราชครืดเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเพราะบางครั้งพระอาจารย์ก็เรียกพระนครบางครั้งก็เรียกว่าเมืองคนถามคือแม่ชีปวน เหมือนกันจะโยมจะเรียกเมืองก็ได้เรียกพระนครก็ได้ตํารวจไม่จับหรือจะ๊ะงั้นถ้าตํารวจจับฉันจะให้จับพระอาจารย์ก็แล้วกันแม่ชีเริ่มงอนนิดๆก็ได้แต่โยมช่วยประกันออกมาด้วยจะได้มีคนบรรยายพระเจริญตั้งใจ ย, ยั่วแม่ชีป่วนไม่เป็นไรคะ่ะถ้าแม่ชีไม่ประกัน ดิฉันก็จะประกันท่านเองนี่มนเล่าเรื่องพระเถรีเธอคะ่ะโยมผ่องใสสรุปเพราะอยากฟังพระเจริญจึงบอกภรรยาเท่าแก่เสงว่าโยมช่วยตอบอาตมาก่อนว่าพระเถรีรูปนี้ชื่ออะไรดิฉันไม่ทราบคะ่ะหลวงพ่อครับช่วยบอกผมด้วยเถอะครับเท่าแก่เสงใครจะทดลองคุณวิเศษ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากธรรมจักสุจึงส่งจิตไปถามท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหยุดบริกรรมคถาสหสเสนโตส่งจิตตอบมาว่าพระปตตาจาราเถวีแล้วจึงบริกรรมคถาย่นระยะทางต่อชื่อพระปตตาจาราเถวีครับโยมเส็งตอบ ถูกต้องรู้สึกว่าโยมเก่งกว่าพระนะแบบนี้พระอายแย่เลยหรือพระหนุ่มสามรูปจะว่าอย่างไรผมไม่รู้จะว่าอย่างไรครับท่านสองรูปว่าอย่างไรพระทวัตถามเพื่อนบรรพชิตอีกสองรูปที่อยู่ในวัยเดียวกันกับท่านและไม่ยอมตอบแหมท่านออกแขกนานจังฉันอยากรู้เรื่องเร็วๆ แม่ชีป่วนต่อว่านิดๆพระเจริรู้สึกว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงสรุปว่าเอาละอัตมาจะเล่าเรื่องพระปตตาจาราเทรีแต่ก่อนจะเล่าต้องให้เรื่องเก่าลงตัวก่อนเมื่อกี้อัตมาได้ถามพระกุณเจ้าสามรูปว่ารู้สึกอายโยมไหมที่โยมเก่งกว่าช่วยตอบผมหน่อยสิ ท่านยังคงต้องการคำตอบจากพระหนุ่มสามรูปพระกุณเจ้าในรถมีห้ารูปครับไม่ใช่สามรูปถ้ารวมท่านด้วยก็เป็นหรูปพระกุณทดเลี่ยงตอบไปทางหนึ่งผมไม่นับหลวงพ่อสองรูปเพราะท่านไดแสดงภูมิรู้และก็ภูมิธรรมใหปรากฏแล้วมีแต่ท่านสามรูปนี่แหละที่ยังไม่ไดแสดงผมยังไม่มีทั้งภูมิรู้ภูมิธรรม กำลังจะ ก, กอบโกยภูมิรู้จากท่านและภูมิธรรมจากหลวงพ่อทั้งสองรูปได้โปรโดให้โอกาสผมด้วยเถอะครับพระทวัตเข้าใจพูดโปรโดให้โอกาสผมด้วยพระขุนทศกับพระรสุขคนพูดขึ้นพร้อมกันพระมกุฎเทสรู้สึกพอใจในความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนของภิกษุทั้งสาจึงพูดตัดบทว่าเอาละ พูดอย่างนี้พอฟังได้ถ้าเช่นนั้นผมก็นิมนต์ท่านทั้งสมเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดจะได้นำไปถ่ายทอดให้แก่ญาติโยมเป็นการสร้างความดีให้แก่พระศาสนาด้วยผมขออนุโมทนาจากนั้นท่านจึงเล่าเรื่องของพระปตตาจาราเถรีให้คณะผู้แสวงบุญฟังพระปตตาจาราเถรี ท่านเป็นทิดาสาวสวยของเศรษฐีเมืองสาวัตถีเมื่อท่านมีอายุ16ปีก็ถูกบิดามารดากักตัวไว้ในประสาทเจ็ชั้นแวดล้อมด้วยข้าทาสบริวารชายหญิงที่ทำเช่นนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้ทิดาของตนได้มีโอกาสพบปะกับชายหนุ่มทั้งหลายแต่ท่านก็ได้แอบรักใกล้กับคนชายหนุ่มในประสาทนั้น ครั้นบิดามารดาเตรียมการแต่งงานระหว่างท่านกับชายหนุ่มที่ฐานะาเท่าเทียมกันท่านจึงพานหนุ่มคนใช้พร้อมตัวหนีออกจากบ้านไปอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไกลจากพระนครสาวัตถีเมืองสาวัตถีกับพระนครสาวัตถีเป็นอันเดียวกันนะแม่ชีจะเรียกว่าเมืองสาวัตถีหรือพระนครสาวัตถีก็ได้ พระมกุเทศพูดกับแม่ชีปวนด้วยเกรงแม่จีจะถามจ้ะเหมือนที่เมืองราชกรเป็นอันเดียวกับพระนครราชกรฉันเข้าใจแล้วจ้ะท่านเล่าต่อได้นิมนจ้ะเมื่อเปลี่ยนฐานะจากทิดาเศรษฐีมาเป็นชาวบ้าน ท่านก็ต้องทำงานหนักเพราะต้องทำงานบ้านเองจากที่เคยเป็นนายก็ต้องกลายมาเป็นบ่าวเหมือนฉันเปียบเลยถ้าฉันไม่หนีตามพวกบ้านพ่อฉันก็จะให้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของโรงสีฉันก็คงสบายไปแล้วไม่ลำบากอย่างที่เป็นอยู่นี่หรอกแม่ชีอดแจมด้วยไม่ได้อยากสบายแล้วหนีตามเข้ามาทำไมล่ะ โยมผ่องใสาถามยิ้มยิ้มก็ความรักมันทําให้คนตาบอดนะคุณเหมือนกับที่พระมงกุฎกล่าวเจ้าอยู่หัวพระราชินิพน์ไว้ในเรื่องมัทนาพาทาว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคดใดๆความรักเหมือนโคตถึกกําลังคึกผิดขังไว้ก็ออกจากคอกไป บ่ไม่อยู่นัดที่ขังฉันว่าคนที่กําลังมีความรักก็ตาบอดหูหนวกเหมือนกันอย่างฉันทุกคนนั่นแหละไม่ทุกคนหลอกโยมอย่าไปเมาว่าคนอื่นจะเหมือนเราไปหมดทุกคนคนที่ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนขาดสติแต่คนที่มีสติเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองอดรนทนไม่ได้จึงพูดขัดขึ้น เพราะเรื่องนี้กระทบใจท่านอย่างแรงสมัยเมื่อเป็นหนุ่มท่านรักใกล้ชอบพอกับลูกสาวเศรษฐีพ่อเขารู้เข้าก็กีดกันท่านชวนเขาหนีตามแต่ผู้หญิงมีสติจึงไม่ทำตามในที่สุดก็ได้แต่งงานกับหนุ่มลูกเศรษฐีท่านจึงต้องหนีมาบวชหากท่านขาดสติคงฆ่าหนุ่มคู่แข็งให้ตายไป แล้วท่านก็ต้องติดคุกในตารางไปตามรับเบียบบัดนี้ท่านนึกขอบคุณเขาเพราะการได้มาอยู่ใต้ร่มกาสาวพัททำให้ท่านได้รับความสุขที่ประนีตกว่าบริสุทธิกว่าความสุขทางโลกอย่างเทียบกันไม่ได้หลวงพ่อจําวัดต่อเธอเห็นนั่งจําวัดอยู่ยกๆอะไรเตือนขึ้นมาว่าฉันแล้ว แม่ชีป่วนนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองให้จำวัดถึงจำวัดก็ได้ยินนะท่านไม่ได้พูดปดเพราะท่านได้ยินจริงๆแต่ได้ยินว่าอย่างไรนั้นท่านจำไม่ได้แล้วตกลงวันนี้ผมจะได้ฟังเรื่องพระปะตาจาราเถรีไหมครับพระรุสุคนพูดอย่างรู้สึกรำคาญแม่ชีได้ฟังครับเอาละผมจะเล่าต่อ แม่ชีอย่าเพิ่งซักถามอะไรสงสัยเก็บไว้ก่อนท่านบอกแม่ชีปวนและจึงบรรยายต่อต่อมาที่ดาเศรษฐีที่หนีมากับคนใช้หนุ่มก็ตั้งคันและขอร้องให้สามีพากลับไปหาปิดามานดาเพื่อจะไปคลอดลูกสามีปฏิเสธเพราะเกรงพ่อตาแม่ยายจะจับตนขังหรือไม่ก็ทรมานด้วยวิธีการต่างๆเมื่อสามีไม่พาไป ธิดาเศรษฐีจึงหนีตามมาลำพังครั้นสามีกลับจากนาไม่เห็นภรรยาอยู่บ้านเหมือนเช่นเคยก็จึงไปถามเพื่อนบ้านทราบจากเพื่อนบ้านว่าภรรยาหนีจึงติดตามไปแล้วก็ชักชวนให้กลับเมื่อไม่กลับก็ต้องเดินทางรอนแรมไปด้วยกันก่อนที่สองสามีภรรยาจะถึงเมืองสาวัตถีธิดาเศรษฐีก็เจ็บท้องแล้วก็ได้คลอดบุตรระหว่างทาง จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปคลอดอยังบ้านบิดามารดาสองสามีภรยาจึงพาลูกน้อยกลับมาหมู่บ้านที่ตนอาศัยต่อมาทิดาเศรษฐีก็ตั้งท้องลูกคนที่สองและได้ขอให้สามีพากลับไปบ้านบิดามารดาอีกเมื่อได้รับการปฏิเสธเหมือนครั้งที่แล้วจึงพาลูกน้อยหนีไปตามลำพัง สามีตามไปพบก็ขอให้กลับเมื่อไม่กลับจึงพากันเดินทางต่อไปเย็นวันหนึ่งเกิดมีพายุจัดภรยาเจ็บท้องจะคลอดบุตรจึงบอกให้สามีไปตัดไม้มาสร้างที่กำบังสามีออกไปตัดไม้ก็ถูกงูพิษกัดนอนตายอยู่ริมทางเดินขณะที่สามีขาดใจตายภรรยาก็คลอดบุตรคนที่สองพอดีลูกชายคนโตแผลตเสียงร้องระงม ญาติโยมลองคิดว่าพระประต a จาราเถรีจะทุกกายทุกใจเพียงใดคือนนั้นท่านก็นอนกอดลูกทั้งสองอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บญาติโยมคิดตามและเกิดความรู้สึกร่วมในความทุกข์ที่พระเถรีได้รับครั้งยังเป็นขร้รหัดรุ่งเช้าท่านก็อุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนโตเดินทางต่อไป ลูกกับบุตรเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะแม่ชีป่วนอดถามเสียมิได้จะว่าเหมือนก็ได้หรือจะว่าไม่เหมือนก็ได้เพราะลูกเป็นคํากลางๆและเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้ก็เรียกว่าลูกส่วนบุตรนั้นหมายถึงลูกชาย ตาลุกสาวก็เรียกบุตรีพระมกุเทศอธิบายแล้วลูกคนที่สองของท่านเป็นบุตรหรือว่าเป็นบุตรีล่ะคะสตรีที่จ้างค่าสามีถามอัตมาไม่ได้แต่งงานไม่มีทั้งลูกคนที่หนึ่งและคนที่สองพระเจริญตอบเสียงห้วนพราะคิดว่าท่านหมายถึงตัวท่านดิฉันหมายถึงพระ ปตาจาราเถรีนะคะ่ะไม่ได้หมายถึงพระอาจารย์หล่อนขยายความลูกชายพอท่านพาลูกสองคนเดินทางไปได้หน่อยหนึ่งก็พบสามีนอนตายทั่วแข็งทื่ออยู่ริมทางท่านก็เสียใจร้องไห้คลำกรวนว่าสามีต้องมาตายเพราะท่านเมื่อคลายโศกแล้วจึงได้พาลูกน้อยทั้งสองเดินทางต่อไป ครั้นถึงริมฝั่งแม่น้ำอเจรวดัดีซึ่งเคยตื้นเขินเดินลุยได้แต่ฝนคืนนั้นทำให้น้ำขึ้นมาถึงสะเอวท่านจึงบอกลูกชายคนโตให้คอยอยู่บนฝั่งแล้วก็อุ้มลูกชายคนเล็กกลุยแม่น้ำไปวางไว้อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นก็เดินลุยน้ำจะข้ามมารับลูกคนโตขณะที่ท่านอยู่กลางแม่น้ำเหยื่ยใหญ่ตัวนึงก็บินผ่านมา เห็นเด็กเกิดใหม่นอนอยู่ก็คิดว่าเป็นก้อนเนื้อจึงโฉบเอาไปท่านตกใจส่งเสียงร้องตะโกนไล่เหี่ยวลูกชายคนโตโดได้ยินก็คิดว่ามารดาร้องเรียกตนจึงเดินลงน้ำแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาท่านต้องพบความเศร้าโศกอย่างแสนสาหัสแต่ก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปถ้าเป็นฉัน ฉันจะกลั้นใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ปลงไม่ไปมาแล้วสตรีคนเดิมพูดขึ้นพระเจริญจึงว่าถ้าทำแบบนั้นเขาเรียกคนขาดสติแต่พระปตาจาราเถรีท่านยังมีสติท่านจึงเดินทางต่อไปครั้นถึงเมืองสาวัตถีพบคนเดินผ่านมาจึงถามข่าวบิดามารดาแล้วก็พี่ชายคนเดินทางบายเปียง ที่จะตอบคําถามของท่านแต่เมื่อท่านขอร้องจึงบอกตามตรงว่าคืนพายุพัดจัดประสาทเจ็ดชั้นได้พังลงมาทับปิดามารดาและพี่ชายของท่านตายหมดเท่านั้นเองท่านก็ขาดสติเปล่องผ้าออกวิ่งร้องไห้ตามถนนผู้คนพบเห็นก็พากันขว้างปลาท่านด้วยก้อนดินและท่อนไม้แล้วก็ช่วยกันขับไล่ท่านออกจากทางเดิน ขณะนั้นพระบรมศาสดากําลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเชตวันเมื่อท่านวิ่งไปในที่นั้นพระบรมศาสดาทรงทราบอดีตชาติของท่านว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะบวชเป็นภิกษุณีและมีความเชี่ยวชาญในพระวินยัยดังนั้นเมื่อท่านวิ่งตรงเข้ามาจึงตรัสบอกไม่ให้ผู้ใดขัดขวางท่านจึงเข้าไปใกล้พระพุทธองค์ได้ พระบรมศาสดาผู้ทรงพระมหากรุณาได้ตรัสกับท่านว่าน้องหญิงขอสติของเธอจงกลับคืนมาด้วยพระวาจาทรงอนุภาพสติสัมปชัญญะของท่านก็กลับคืนมาเมื่อรู้ตัวว่ากายของท่านนั้นเปลืยเปล่า จึงหมอบลงกับพื้นดินด้วยความระอายสตรีผู้หนึ่งส่งผ้ามาให้ท่านจึงนำผ้าห่มปกปิดร่างกายแล้วกราบลงตรงพระบาทพระบรมศาสดากราบทูลถึงความทุกข์อันหนักหนาสาหัสที่ท่านได้ประสบพระพุทธองค์ทรงสดับโดยอาการสงบนิ่งครั้นแล้วจึงประทานคำปลอบประโลมใจว่าความทุกข์ที่เธอได้รับอยู่นี้ เป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆในมหาสมุทรแห่งความไม่เที่ยงที่สัตว์โลกทั้งมวลพากันจมอยู่น้ำตาที่เธอเคยหลัง่งเมื่อต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักในหลายพบชาติรวมกันแล้วก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วยายเธอจะยังประมาทอยู่เล่าเมื่อท่านได้ฟังพระพุทธดารัสก็เข้าใจลึกซึง้งถึงความไม่เที่ยงของสัพพสิง ธรรมจักสูได้บังเกิดแก่ท่านจากนั้นจึงขอบวชเป็นภิกษุณีและได้บรรลุอรหัตตผลท่านได้บรรยายประสบการณ์การบรรลุธรรมของท่านไว้เป็นคำร้อยกรองที่ไพเราะเพราะพริง้งอัตมาขอลองว่าให้ฟังเป็นภาษาไทยซึ่งคงจะไม่ไพเราะเท่าภาษาบาลีหรือว่าภาษาอังกฤษเพราะอัตมาแปลไม่เก่ง พระเจริญพูดออกตัวและถอดความในเทรีคถาจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยความว่าด้วยไถผืนนาจึงถูกไถด้วยเมล็ดผืนดินจึงถูกหวานและแล้วบุตรและภรรยาก็มีอาหารบริโภคนี่คือชัยชนะแห่งการสร้างโภคซัพ์ของชายหนุ่มทั้งหลายพระอาจารย์ครับ ถ้าผมขอความกรุณาให้พระอาจารย์ช่วยอ่านภาษาอังกฤษจะได้หรือเปล่าครับชายหนุ่มที่จบจากต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษรู้สึกว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจนักได้โยมแต่ขอให้อัตมาแปลเป็นภาษาไทยให้จบก่อนพระอาจารย์เก่งจังครับที่จำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชายหนุ่มชมจากใจจริงเปล่าหลอกโยมนี่หนังสืออยู่ในมืออาตมาชาวเยอรมันเขาเป็นคนเขียนภาษาเยอรมันแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักบวชสตรีชาวสีลังกาชื่อเขมาท่านชูหนังสือสีเหลืองเล่มเล็กๆในมือให้ผู้ฟังดูถึงกระนั้นผมก็ว่าพระอาจารย์เก่งแปลสดๆสดได้ ถึงผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็นับถือท่านแปลโดยไม่ต้องใช้ดิกเชนารี่เข้าชมอีกใครบอกโยมละ่ะนี่อาตมาแปลมาแล้วใช้เวลาแปลต่างหลายวันแปลแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไรพระมกุเทศสารภาพอีกเอาละที่อาตมาอ่านเมื่ อ, อกี้อยู่ในเทรีคทถาข้อที่รบสอง ทีนี่ก็จะอ่านที่อัตมาแปลไว้ซึ่งมีทั้งหมดหาคาถาคาถาที่112ถึง113 1สและ116มีสบรรทัดส่วนคาถาที่ร1 4มี6บรรทัดและท่านจึงอ่านคำแปลภาษาไทยที่เตรียมมาแล้วตัวฉันผู้มีธรรมหมดจดปฏิบัติตามคำทรงสอนของพระตถาคต ไม่เกียจคร้านหรือหญิงพยองยายจึงไม่บรรลุพระนิพพานเล่าหนอจากเบื้องสูงสื่อเบื้องต่ำด้วยอาการเช่นนั้นจิตก็สงบเหมือนม้าพันดีที่ถูกฝึกแล้วฉันหยิบตะเกียงขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในกุฏิสำรวจดูที่นอนแล้วนั่งลงบนเตียงหยิบไม้ดับไฟมาถือไว้ เลื่อนไส้ตะเกียงลงและเมื่อแสงตะเกียงดับลับไปกิเลสตัณหาในใจก็ดับไม่มีเหลือเอาละ่ะที่นี้อาตมาจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังท่านอ่านไปได้สองบรรทัดเห็นว่าสำเนียงออกไปทางแขกจึงบอกชายหนุ่มว่าโยมช่วยออกมาอ่านแทนอาตมาได้ไหมถ้าทางโยมจะอ่านได้ดีกว่าอาตมานิมนต์ อ๋อไม่ใช่ขอเชิญชายหนุ่มจึงเดินออกไปยืนในตำแหน่งที่ท่านยืนพระเจริญจึงส่งหนังสือไมโครโฟนให้ชายหนุ่มแล้วจึงเดินไปนั่งที่ของท่านหนุ่มนักเรียนนอกจึงอ่านด้วยสำเนียงฝรัง่งให้ทุกคนได้ฟังสาธุทั้งพระและขรืหัดต่างเปลงเสียงสาธุขึ้นพร้อมกันขรืหัดนั้นยกมือขึ้นประนมด้วย ทันทีที่เสียงสาธุการหายไปโชเฟอร์ก็นำรถมาจอดที่หน้าประตูวัดไทยสาวัดถีผู้โดยสารพากันมองไปที่นาฬิกาหน้ารถขณะนั้นเวลา19นาฬิกา30นาทีพอดิบพอดี